วิริยะที่เจริญแล้วทําให้มากแล้วเนี่ยนะวิริยะวิริยินทรีย์เหล่านี้ทําให้มากแล้วก็ย่อมมีผลมากมีอนิสงฆ์มากทํายังไงสัตทินรีย์ของเราเนี่ยจะมีผลมากมีอนิสงฆ์มากในบรรดาผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะปุถุชนทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่ควรใฝ่ฝันไขว่คว้าในเบื้องต้นเนี่ยคือโสดาปฏิยังคธรรมเท่านั้น น, นะไอ้ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องเรียกว่า เป็นเรื่องอนาคตเหมือนกันะแต่เป้าหมายภารกิจสำคัญของปุถุชนก็คือเปลี่ยนแปลงตัวเองจากปุถุชนให้เป็นพระอริยะเปลี่ยนแปลงจากปุถุชนให้เป็นพระอริยะปุถุชนทั้งหลายไม่มีศรัทธาแต่พระอริยะเป็นผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยนะอันนี้คือความตาม่างเพราะฉะนั้นจะต้องสร้างคุณธรรมคือสร้างอริยคุณให้เกิดในตนให้เกิดในใจของตนที่เราเรียกว่าโอปนัยโกเนี่ยนะ น้อมเข้ามาใส่ตัวก็คือน้อมให้มันเกิดขึ้นในจิตของตนเนี่ยทํำยังไงอริยะคุณคือศีลจะเกิดขึ้นในจิตของตนและเกิดบ่อยๆเนี่ยนะเกิดบ่อยๆเกิดจนมั่นใจว่างั้นเถะเกิดจนมั่นใจตอนแรกนี้เกิดจนมั่นใจตอนหลังเกิดจนใจอมั่นคุณธรรมเหล่านี้มาทําให้จิตใจเนี่ยมั่นคงไม่ง่อนงีน่นไม่คลอนแคลนแต่ก็ไม่ง้อเข่าเนี่ยนะไม่โค้เข่าเพราะว่าประกอบไปด้วยปัญญา มันเจริญศรัทธาเหล่านี้นี่แหละเป็นเหตุนะนะที่เรียกว่าเจริญอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อการสละมันเรารู้พุทธคุณหนึ่งบทก็เป็นบุญเป็นกุศลหนึ่งครั้งของเราที่จะนําไปสู่วิวัตะนําไปสู่การตรัสรู้ศรัทธาที่มั่นคงในพระพุทธเจ้ากี่คำํำความเข้าใจในพระพุทธคุณมากเท่าใดทุกๆความคิดที่เข้าใจในพระพุทธคุณเนี่ย น้อมไปเพื่อการตรัสรู้ ร, รมเป็นที่พน้นทุกเนี่ยนะเพราะว่าขณะที่กุศลจิตเกิดขึ้นนะถ้าพูดแบบคนโบราณหน่อยเขาบอกว่าแม้เกิดทีละบาด ท, ทีละสตังก็เก็บเก็บแค่เราว่าเก็บกุศลธรรมที่เกิดขึ้นก็ฉันนั้นแต่จริงๆไม่ได้มีค่าเป็นบาทเป็นสตังหรอกศรัทธาเป็นต้นสติเป็นต้นคุณธรรมเหล่านี้ที่มีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์เนี่ยยอมว่ามีราคาเท่าไหร่ ถามว่าถ้าไม่ตกนรกเนี่ยต้องซื้อเท่าไหร่จริงจะไม่ตกนรกนะเพราะนี้เป็นมหาพูดไม่ได้เพราะว่าเป็นคุณธรรมที่ทำให้ปิดอบายทุคติวินิบาตและนรกเนี่ยนะเพราะเราจะทำยังไงให้ศรัทธาของเราเนี่ยเกิดได้บ่อยให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่เราจะต้องใส่ใจธนุถนอมบํารุงและรักษาหาเหตุหาปัใจจัยมาส่งเสริมเนี่ยนะให้ทาอะไรก็ให้เวทล้อมไปด้วย ศรัทธาเพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นสัตธินรีนั้นจะบริบูรณ์ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันนั้นสัตหินรีบริบูรณ์ศรัทธานั้นบริบูรณ์ถึงขนาดเป็นอจระศรัทธาเป็นอจระศรัทธาเป็นศรัทธาที่มั่นคงไม่หวนไหวในความไม่มีศรัทธานั้นคนไม่มีศรัทธาเป็นร้อยคนพันคนมาพูดยังไงให้เปลี่ยนศรัทธาก็ไม่เปลี่ยนศรัทธาสําหรับผู้ที่มีศรัทธา จเจริญอะคือเราว่าบรรลุถึงเป็นความเป็นพระโสดาบันเห็นอริยสัจเนี่ยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนอุบาสกคนหนึ่งให้เห็นอริยสัจเป็นพระโสดาบันไปแล้ววันหนึ่งอพอพระองค์ก็กลับไปทีนี้พญามารเขาก็แปลงร่างมาคล้ายกับพระพุทธเจ้าเดินมาทางนั้นแล้วก็มาบอกว่าที่สอนไปเมื่อกี้เนี่ยสอนผิดไอ้ที่ถูกเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็มาเทศกลับข้างจากที่พระพุทธเจ้าแสดงไป อุบาสกคนนั้นบอกท่านไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านเป็นมารรู้ได้ทันทีเลยถึงจะร่างกายอะไรเหมือนกันก็จริงแต่ท่านไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านคือมารเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะแยกออกนะเขามั่นคงขนาดนั้นจะแปลงรูปมาเป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนใจไม่ได้เพราะอะไรเพราะมีศรัทธาที่มั่นคงแล้วเห็นอริยสัจแล้วสัตทินรีเขาเจริญจนเต็ม เปลี่ยมบริบูรณ์แล้วแล้วก็ผู้ที่มีสัิเทียนสีอย่างนี้เนี่ยเป็นเครื่องรับรองศรัทธาที่อยู่ในใจของเขาเนี่แหละเป็นตัวรับรองว่าเขาไม่ไปสู่อบายทุคติวินิบาตและนรกคือเขาเห็นปริมาณของศรัทธาที่เกิดบ่อยเกิดมากเป็นศรัทธาที่มีคุณภาพสูงความที่เห็นศรัทธาที่เกิดบ่อยเกิดมากมีคุณภาพสูงนี่แหละเขาจึงรับประกันตัวเองรับรองตัวเองว่า ไม่ไปสู่อาบายทุคติวิธิบาตนรกยืนยันตัวเองรับรองตัวเองเป็นความมั่นใจในภายในเนี่ยนะเป็นการให้คะแนนตัวเองโดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นมาคอยเกลี้ย ก, กล่อมคอยหวานล้อมคอยอะไรเพราะมันเป็นความมั่นใจอย่างนั้นจริงๆแต่ความเชื่อเหล่านี้ก็ไม่ใช่ว่าศรัทธาด้วยความโง่เขลาศรัทธาด้วยความโง่เขลาเขาไม่เรียกว่าศรัทธาเขาเรียกว่าฉันทราคะะนะอย่างผู้ที่รักในพระรูปของพระพุทธเจ้าก็ไม่เรียกว่าศรัทธา ท, ที่แท้จริงที่กล่าวถึงรักในเสียงรักในกลิ่นรักในอะไรทั้งหลายแหละไม่ใช่แต่หมายถึงศรัทธาที่รอบรู้ในพระพุทธคุณพันต้องหาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพระคุณของพระพุทธเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็เพิ่มความเข้าใจในพระพุทธคุณเนี่ยนะมีศรัทธานี่ดีแล้วเพิ่มปัญญาเข้าไปเถอะเนี่ยนะยิ่งปัญญารอบรู้ในพระพุทธคุณเท่าใดนั่นจะเป็นไปเพื่อ ประโยชน์และความสุขแก่พวกเราทั้งหลายอย่างคนในยุคหลังเนี่ยที่ศึกษาในพระศ า, าสนาไม่เจริญก็คือศึกษาแล้วไม่ตั้งเป้าเพื่อเจริญศรัทธาไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเจริญเพื่อมีศรัทธาแต่เจริญเพื่ออยากจะรู้ว่าเป็นอะไรแค่นั้นเองแล้วรู้ไปทําไมบางทีก็ตอบไม่ได้ว่ารู้ทําไมเขาบอกว่าสังเกตดูนะบอกว่าสิ่งที่เราตอบไม่ได้แล้วเครียดนิดนิดเนี่ยใช่เลยนั่นแหละโทสะ นนไม่ใช่ความรู้ที่พึงประสงค์ในในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นเราอยากให้ให้เจริญเนี่ยนะถ้าถ้าโดยส่วนตัวจริงๆเขามาไม่อยากเสื่อมจากเรื่องของพระพุทธคุณพระธรรมคุณและสังฆคุณเป็นต้นจะพูดยังไงก็ได้ให้เราไม่เสื่อมเพราะนั้นจะเลือกเอาวิชาที่เป็นไปที่ไม่เสื่อมศรัทธาในพระตนะตรายวิธีที่จะทําให้เราไม่เสื่อมศรัทธาในพระตนะตรายเอาคุณพระตนะตรายเนี่ยมาพูดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากด้วย เรียนเรื่องพระผู้คุณของพระรัตนตรัยให้มากที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรพระธรรมของพระองค์ดีอย่างไรภาษาวกของพระองค์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างไรเอามาขยายให้ที่สุดเท่าที่จะทำได้สุดความรู้สุดความสามารถสุดสติสุดกำลังว่างั้นอ่ะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราหมดศรัทธาในาพระพุทธเจ้าเมื่อใดอนะเห็นแล้วว่าอะไรนะ เหมือนกับว่าถ้าเป็นคนชราที่ตัดอาหารแล้วฉันใดมันก็แปลว่าอะไรถ้าสมมติว่าอาหารก็ไม่รับแล้วน้ําก็ไม่รับและอาหารก็ไม่รับและฉันใดผู้ที่ขาดศรัทธาในพระธรรมตรัยวันไหนวันที่หมดศรัทธาในพระธรรมตรัยวันนั้นก็เรียกว่ามีอบายเป็นเบื้องหน้าแล้วเนี่ยนะมายก็ว่าถ้าเป็นรถเนี่ยก็เริ่มวิ่งลงเหวแล้วเนี่ยนะกําลังจะตกเหวแล้ว ไม่รู้ระเบิดอีกกี่ตลบก็ไม่ทราบเพราะอะไรเพราะหมดศรัทธาในพระัตนมตรายทีนี้ที่เราบอกว่าอุย้ยเราไม่เปลี่ยนศรัทธาในพระัตนมตรายหรอกว่า ง, งั้นเอาอะไรมายืนยันนั่นนะเอาอะไรมายืนยันว่าเสถียรภาพศรัทธานี้มั่นคงจริงๆริงว่างั้นน่ะเอาอะไรมาเป็นตัวรับรองอารหังเช็คดูนะสัมมาสัมพุทโธ ว, วิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอานุตโรปุริสธรรมสารเถสถ า, าเทวมนุสสาัางพุทโธพขวา มันโอ้โหเลื่อมสายเลยใช่ไหมผ่องใสสบายใจมีความสุขคําที่ดีที่สุดในโลกประเสริฐที่สุดในโลกบุคคลที่เยี่ยมที่สุดในโลกอัครทักคิณญาบุคคลของโลกพร้อมทั้งเทวโลกนี่แหละคือผู้เปิดประตูเพื่อความพ้นทุก์นี่แหละคือผู้ประกาศอมะตะธรรมอ๋อถ้าเลื่อมสายอย่างนี้ก็อาอ์เชื่อได้เยอะแล้วนะอย่างที่สองอีกแล้วพระองค์มีอิทธิวิธีพระองค์นั้นแสดงฤทธิ์ได้นะ พระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าแสดงฤทธิ์ไม่ได้พระองค์มีฤทธิ์นะและอย่างอื่นอีกพระองค์มีอะไรพระองค์นั้นมีหูทิพย์มีเจโตปริยานมีทศพลายานพระองค์รู้ฐานะอถฐานะพระองค์รู้วิบากของกรรมสมาทานทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันรู้ปฏิปทาที่จะทําให้สัตว์ไปสู่ภูมิทั้งปวงพระองค์รู้ว่าโลกธาตุเนี่ยมีธาตุเป็นอนเนก พระ อ, องค์เนี่ยรู้อธิมุตตต่างๆของสัตว์พระ อ, องค์เนี่ยรู้บุคคลเนี่ยมีอินทรีย์ที่หย่อนยิ่งแตกต่างกันรู้ความเศร้าหมองของเพวของฌานมิโมกสมาธิสมาบัติพระ อ, องค์ระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากพระ อ, องค์เห็นสัตว์ที่กําลังจุติอุบัติพระ อ, องค์เนี่ยทำอาสวะให้สิน้นและที่กําลังจะกล่าวต่อไปก็คือพระ อ, องค์มีเวสาลัชยาน มีเวสารัชยานแล้วก็มียานอย่างอื่นๆอีกที่จะกล่าวต่อไปถ้าในสำปราสาทนิยสุหรือในที่อื่นๆเนี่ยก็มีพยานอีกเยอะแยะไปหมดเลยถ้ากล่าวตามอะไรนะในอุทานเนี่ยนะอุทานอัตกถาที่เรียบเรียงพระคุณของพระองค์เนี่ยนะเช่นพยานที่ไม่ติดขัดในอดีตอนาคตและปัจจุบันมีความรู้อดีตอนาคตปัจจุบันไม่มีติดขัดขัดข้องเลยแล้วก็พระองค์มีพยานที่รู้ อะไรรู้กำเนิดสี่รู้ว่าการเกิดในกำเนิดสี่เป็นอย่างไรกรรมเหล่าใดที่นำไปสู่กำเนิดทั้งสี่พระองค์เนี่ยมีเวสารัชยานสี่หรือเวสารัชธรรมสี่พระองค์เนี่ยมียานที่เป็นะนะยานที่เป็นอินรียห้าเนี่ยยานที่เป็นไปในอินรียห้ายานที่รู้ทางแห่งกำเนิดห้าคติห้าะนะพระองค์มีอาสาธารณายานหกพระองค์มียานใน พ่อชองเจ็ดพระองค์มีญาณในอริยมรรคมีองค์แปดพระองค์มีญาณในอนุปปภะวิหารสมาบัติเ้าพระองค์มีญาณในทศพลยานสิบพระญาณทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยที่เรารับรองว่าพระองค์เป็นผู้มีปัญญาจริงๆฉลาดจริงๆและปัญญาของพระองค์อย่างนี้ไม่มีเสื่อมด้วยนะไม่ใช่ว่าเคนเคยมีความรู้ถ้าเคยมีความรูแ้แปลว่าตอนนั้นอ่ะไม่รู้แล้วแต่พระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นพระองค์เป็นบุคคลที่ไม่หลงเป็นธรรมดา เดี๋ยวข้างหน้าต่อไปจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่ลุ่มหลงเป็นธรรมดามันผู้ที่ไม่ลุ่มหลงนั้นเป็นผู้ที่เกิดมาเพื่อประโยชน์เ พ, ชนเพื่อกูลเพื่อความสุขแก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะเพราะพระองค์เป็นผู้ไม่ลุ่มหลงพระยานของพระองค์ไม่มีเสื่อมมันสติปัญญาของพระองค์นี้ไม่มีเสื่อมเนี่ยนะดังนัถึงความเป็นผู้สูงสุดสมบูรณ์ที่สุดมันถ้าเปรียบปัญญาของพระองค์เหมือนกับแสงสว่างก็แสงสว่าง ดวงเหมือนดวงอาทิตยามเที่ยงวันพันดวงเนี่ยนะไม่ใช่ดวงเดียวเนี่ยนะส่องไปตรงไหนก็สว่างสวัยไปหมดไม่มีติดขัดขัดข้องเลยนะนี่มาดเาูเวสารัชยานเวสารัชยานหรือเวสารัชธรรมธรรมที่ทำให้พระองค์ถึงความเกล้ากล้าเนี่ยนะแต่ว่าสุนัขตาฤชวีบุตรก็ไม่รู้ว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วย เวสารัชธรรมเนี่ยนะพระองค์ผู้มีคุณธรรมเช่นนี้ก็ยังมีโมฆะบุรุษตําหนิตเตี่ยมเนี่ยนะแล้วก็พระองค์ผู้มีคุณธรรมเช่นนี้ก็มีบุคคลพาห่างจากพระองค์เนี่ยนะคือคือถ้ายิ่งเราศึกษาพระธรรมในยุคนี้เนี่ยนะอันหนึ่งสิ่งที่น่าเห็นใจก็คือว่าพระพุทธเจ้าทรงพระคุณขนาดนี้มีคนที่ชักชวนออกจากพระพุทธคุณเนี่ยนะผันคนที่ชักชวนให้คนเนี่ยห่างพระพุทธคุณเนี่ย จะประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากเท่าใดนอเหมอนกันก็น่าคิดนะ